พูดมารมสู่ฟังตั้งหน่อยนะพูด <c> ถ <oughs> ึงโลกพูดมานานแล้วยของโลกต้องทาก็ออาศัยสิ่งกันและกันอยู่นั้นโลกคือทาทำคือโลกนะแต่สติปัญญาทีทาบความรู้ของใครที่จะนำมาใช้นี่พป็นเจตนาสอนใจตัวเอง <c oughs> ในโลกเราเมื่อเกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมาตั้งแตเป็นอยู่อย่างนี้เราตายไปมันก็คงเป็นอยู่อย่างนี้จะให้มันประมานเสมอราบรื่นเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของโลกมีอย่างนั้นเราอยากจะให้มันถูกตามจิตตามใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างไปมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้ โลกนี้ก็มันมีใครที่อยา ก, กจะหนีอยากโกไปเพราะอยากได้อะไรเป็นไปตามตามปรารถนาของตัวนี่มันมเป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเองเคยสั่งสมพระบารมีมาเคยโดนเรื่องเหล่านี้จนจิจาณาหาทางที่จะแก้ไข ามเป็นไปของเกิดตายยิ่งนสเสด็จทิ่เนศรปกรมในอย่างนั้นท่านก็จะโจมอยู่ในกีวิตตัญหาเหมือนพวกเราทั้งหลายสัง <c oughs> เกตนะหรื อ, อุบายาบคลายการเกิดการตายเป็นของที่ไม่ต้องการปรารถนาเกิดชาติ ใดก็จะต้องมีแก่มีตายอยู่อย่างนั้นเมื่อมีแก่มีเจ็บมีตายไม่แฉะไม่เจ็บไม่ตายจะได้มีหรือขันที่นี้ที่เจรณาถึงไหมครับขนจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นประศัตริยปกทองไผ่ฟ้าประชาละถั่วไปก่อนตา่างแต่จะบังคับบัญชาความแก่ความเจ็บความตายของตัวบังคับบัญชาในตัก บังคับตัวไม่ได้บังครับคนอื่นก็ไม่ได้ขันติหาทางที่จิดเจรนาหาธรรมะทีเนื้อเกิดตายมาเนียสอนโลกถ้าหากท่านไม่เสด็จที่นเนตเ็กกรมกันยังมัวเมาเกียวของตบคาราวะาอยู่ ทก็ไม่ความรู้ความสามารถที่จะมาแนะนสัพพาสัตว์พวกเรานาว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาที่ท่านแนอนทางเดินเกี่กความสุขหรือทางเดินเพื่อผลทุกข์ในวัดตาสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราท่านโดยส่วนใหญ่โดยนิยามภายใไนไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเคยตายเคยสุขเคยทุกข์อย่างไรขใจว่าเกิดชาติเดียวเป็นอย่างไรตั้งมันความคิดเห็นหรือสายตาสั้นๆมาคิดไปจำลองนั้นยิ่งกล้าทาความชั่วความเสียต่างๆ โดยไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับผลกรรมที่ทำไปหาใครคิดว่ากรรมที่ทําลงไปในว่าทางกายวาจาใจไม่มีใครคนอื่นจะเป็นคนรับให้จะต้องตามสนองตัวของตัวเองในวันใดกววันหนึ่งถ้าคิดได้อย่างนั้นก็ไม่กล้าสามารถที่จะทําเพราะเราจะได้รับเพราะกรรมนั้นนั้น นีไม่อย่างนั้นคนพานส่วนใหญ่เขาถึงว่าทําบาปไม่เป็นบาปทาบุญไม่เป็นบุญมรคนิพานอะไรไม่มีนรกอเวุีไม่มีมีความเห็นของเขาขาดการอบรมศึกษาขาดการพิจรารณาด่านของธรรมเขาก็เลยทําไปได้เกิดชาติเดียวตายชาติเดียวไม่มีอะไรจะไปเกิดอีก เป็นไปอีกทำดีทำชั่วก็แค่นั้นแหละไปหาตายเขาคิดอย่างนั้นความคิดของเขาเพราะเขาขาดการศึกษากขาดครูอาจารย์แนะนและตัวเองก็ไม่เลยที่พิจารณาแยบคายในการเกิดการตายของตัวถ้าเขาได้ศึกษาพิจารณา หลักของกรรมของธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเขาไม่สามารถป่าธรรมกรรมั่วต่างๆเพราะกลัวที่เราทาลงไปนิดหน่อยแต่ผลของความชั่วจะต้องให้ดอกให้ผลมากเหมือนกันกับเขาทำนาทำสวนข้าวที่ไปปลูก ก็ไปมากแล้วแต่ผลเกิดขึนมากหลายจิตเท่าข้าวาเมล็ดหนึ่งหนึ่งจะปลูกในสถานที่ดีๆอาจจะได้ตั้งเป็นพันหรือสองพันเมล็ดเมล้าพลาลูกเดียวปลูกลงไปก็จะต้องเกิดเมล้าพลากว่าส่วนของมันจะตายแต่ต้นดีๆเป็นพันๆอยก่เหมือนกัน ลึมากกว่านั้นีกรรมที่พวกเราท่านทําก็าเหมือนกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่สามารถที่จะถี่ดอกออกผลให้ใหญ่โตดาะนั้นจึงคว ร, รกลัวกรรมชั่วต่างๆกรรมดีที่สร้างเอาไว้กว็เหมือนกันในทําใหญ่โตเราโหดฐานเท่าไรแต่ก็เวลาที่ดอกออกผลให้ก็มีความสุกกายสุกใจแต่และลึกไม่ได้ เราสบายมีสุขเพราะเรากระทำกรรมอะไรเราทุกข์เดือดร้อนเพราะเราทำกรรมอะไรเพราะจิตใจของเราไม่มีญาณภายในและลึกได้ในการกระทำของตัวฉะนั้นจึงไม่มีการกลัวอย่างชั่วยอย่างเสียต่างๆคนพานจริงถ้าถ้าทายว่าทำกรรมอะไรไป ก็ไม่เห็นผลอะไรผลสื่อสารผลผลิตก็ไม่เห็นมั่งขั่งสมบูรณ์ปูนสุก ข, ขนาดไหนคนพ้นปี้หากินทุจริตเยอะอีกกี่ล้ำรวยเขาคิดไปในอ ย, ง, อยงนี้มุมนี้เพราะกรรมบางสิ่งบางอย่างก็ไมปเห็นให้ผลอย่างเร็วพันบางสิ่งบางอย่างก็ให้ผลอย่าง ทันตาเห็นเหมือนพืชพันธุ์ที่เราปลูกลงไปบางสิ่งบางอย่างกวไาเมื่อวันกี่เดือนก็ได้รับผลบางสิ่งบางอย่างกว่านานถ้จาจะเกิดผลให้กรรมที่เราทําลงไปก็เหมือนกันถ้าหาวินิจฉัยที่เจรณญนาโดยามแน่ใจแล้วเรื่องกรรมที่ทาไปไม่ได้เสียหายให้ผลไปจากชัดเจน แต่คนที่ทำลงไปไม่ว่าทำกรรมชั่วไม่ว่าทำกรรมดีถ้าหาตั้งใจทำอย่างจริงใจคิดดูง่ายๆบาปไม่มีหรือบาปมีเราจะทราบได้ถ้าเราทำบาปเราไหวยเขาก็ไหว้ต่อเราด่าเขาเขาด่าต่อเราตีเขาเขาตีต่อทำไมเป็นแบบนั้น มีเป็นกรรมให้ผลไม่ใช่หรือเราด่าเขาแทนที่เขาจะให้สินให้อนเราหว่าเราเป็นคนดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เราตีเขาแทนที่เขาจะรักให้ใจดีกับเราไม่เป็นอย่างนั้นความชั่วที่ทําไปจะให้ผลปัจจุบันขาดที่นีพิจรารณามีขาดการที่นี้พิจรารณาการทําดีก็เหมือนกันแต่าทาดีจริงจังมีการ ให้ทานเสียสละดมีการรักษากายวายชาโดยศีลเป็นอย่างไรถ้าที่ศึกษาเมลียนอยู่ในประเทศไทยมีจำนวนเป็น แ, นแสนท่านไปทำมาค้าขายที่ไหนทำไมท่านอยู่ได้มีกินมีใช้พอสมควร <c oughs> เนื่องโดยกรรมดีที่ท่านยอมเสียสละดท่านรักษาศีลของท่าน บริสุทอำนาจของกรรมดีที่ท่านทามานั่นแหละเป็นผู้ที่คุ้มครองรักษาให้ท่านมีความสุขความสบายนี่หมายถึงท่านนอกนอกซึ่งเราทั่วไปเห็นกันพอวินิจฉัยได้ถ้าหากคนคนนั้นแหละ ถึงมาบวชเป็นชาเป็นเนนเป็นจีตาผาขาวเราพลิพิชั่วลงไปจีนไม่มีมีการห้าการขโมยต่างๆทางจิตต่อหน้าและรับหลังผู้คนไปชาชนเห็นเขา้าเขาเหลื่อมใจไหมเขาเต็มใจต่าบ่ายดูแลไหมเป็นไปได้ อยู่สถานที่ใดก็ถูกขับไล่เพราะความไม่ดีของกายของใจที่เขาทำไปพอมองเห็นได้ง่ายๆถาวนิชัย ท, ที่นินพิจาณาโดยใจเป็นอาจเป็นธรรมมีเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านเคยเกิดเคยตายในโลกมานับไม่ถ้วนความสุขความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ชาติปัจจุบันที่เรา เห็นกันหรืารืลล้กได้เต่านั้นความจริงเคยทุกมากว่านี้ลำบากมากกว่านี้นับไม่ถ้วนเคยสุขมากกว่านี้ดีประเสริฐมากกว่านี้ก็นับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันเพราะความเรียนไหวใจเสื่อโดยแรงของกรรมที่เราทํามาทํากรรมดีไว้ก็ให้ผลได้รับความสุขความสบายทํากรรมชั่วไว้ก็ให้ผลเป็นทุกข์ทางตายทางใจ มันเป็นมาอย่างนี้อเรียน่ายตายเกิดจะต้องประสบพราเห็นเรื่อยไปไม่ว่าเขาว่าเราเป็นอย่างนั้นอื่หมายถึงผู้จิตท่องเที่ยวในวัฏจะกรายตายไปแต่จิตไม่หมดที่เหลือตัณหาไม่ตายจากที่เหลือตัณหาจะต้องมีการท่องเที่ยวเรียนไหวตายเกิดอเรื่อยไปฉันั้นทางศาสนา เป็นยอดของธรรมะจีพระผู้ใช้เจ้ามีความประสงค์จริงจังถันจริงสอนให้พวกเราท่านภาวนาหาความสุขของใจการภาวนาเป็นความสุขลำคาเป็นความสุขที่มีสาระการกระทําลำบากอยากเย็นเป็นบางท่านบางคน พอใจของพวกเราท่านเคยจิตข้องกับเรื่องวัตถุเรื่องโลกมาเป็นเวลานานจึงมีการผัดค้องจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีจะกำหนดจิตกำหนดใจก็ดีรู้สึกว่าอึดอัดลํบาบากเพราะฝ่าฝืนเรื่องกิเลสตัณหาจริงๆเคยผลักดันจิตใจมาแต่เก่ากว่า แต่สิ่งที่มันชอบมันยินดีจะนั่งตลอดคืนก็นั่งได้เช่นไปดูมหรสยที่เราชอบเราพอใจหรือคูยคุยกันเรื่องสนุกสนานที่ชอบจิตจิตใจอยู่ได้ไม่เห็นเจ็บเห็นปวดเห็นเหน็ดเห็นเหนื่อยอะไรพอใจชอบพอใจยินดีแต่เมื่อจะมานั่งภาวนา ยังระยะไม่จีนา่าจีรู้สึกเจ็บ ป, ปวดเหน็ดเหนื่อยเหื่อยหิวง่วงเล้าหานอนต่างๆนี่คือเรื่องฝ่าฝืนจิตใจเพราะบังคับใจให้ทำใจไม่ชอบใจไม่ยินดีแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็ยังดีกว่าการไม่ทำบังคับมันไป านานๆเข้ามันเห็นผลมันจะเชื่อจะเลื่อมใสจะยินดีจิตใจทําเองเพราะผลเกิดจากการภาวนาการห้ามกั้นอารมณ์สัญญาไม่ให้เกี่ยวข้องกับใจบริกรรมสิ่งหนึ่งจริงใดไปจำอยู่หรือพิจรารณาอว้ยวะร่างกายของตัวให้ถวถึงไม่คิดปรุงออกไปนอก เพื่อจะให้จิตอยู่จิตนิ่งไม่ให้จิตจิตตามสัญญาอารมณ์มันเป็นของยากเพราะเกิดมาไม่เคยทำไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นเครรู้เรื่องเหล่านี้มาอยากคิดปรุงแต่เรื่องอื่นๆนอกๆซึ่งเป็นเรื่องยุ่งเหยิงจิตใจไม่มีคุณคาา่าอะไรแต่การมาบางัาบางคับบัง บัญชาใจให้อยู่ในอัดในทรรมอยู่ในขอบในเขตโดยสติโดยปัญญาเนี่ยสอนไม่ให้จิตคิดปรุงเป็นของยา่าแต่นี้คุณค่ามากมหาศาลพอทำได้จิตได้ที่รวมรวมจะเชื่อจะเลื่อมใสเพราะความเป็นไปของใจแต่เก่าก่อนเคยเพิดเพลินในสัญญาอารมณ์ต่างๆ ทางหูทางตาทางกิเลสตันหาเคยไปศบพบมาความสุขส่วนนั้นเป็นอย่างไรถึงคนที่ไม่เคยพบมากว่าจะพอจิตได้คาดได้ความสุขภายนอกที่เราชอบเรายินดีติดข้องมันเป็นอย่างไรแต่พอมาไปสบความสงบของใจใจได้รับความสงบ ขาดจากสัญญาอารมณ์ภายนอกมีความสุขมีความสบายมีความสว่างสวัยมีความสงบเยียกเย็นภายในพอเทียบได้ความสุขของโลกนั้นไม่มีวันเวลาที่จะเข้าถึงความสุขส่วนนี้แม้จะมีเงินมีทองมีเข้ามีของมากมาย ขนาดไหนก็ไม่มีเวลาที่จะประสบพบความสุขข้องใจอย่างการภาวนาจะรู้จะเข้าใจด้วยตัวข้องตัวเองว่าการภาวนานี้เป็นขล้องดีวิเศษจิตรวมรวมเป็นข้องดีวิเศษเบาสบายสว่างสวัยไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง นี่คือจิตสงบจิตรวมรวมเมื่อเป็นอย่างนั้นที่เป็นมาได้ด้วยอำนาจที่เราบังคับบัญชาจิตใจของเราให้ภาวานารักษาใหม่จิตกุ่มฝูงออกภายนอกพอได้รับความสงบอย่างนั้นเชื่อมั่นเกิดศรัทธาอยากจะให้จิตใจของตัวเป็นอยู่แบบนั้นมันสะดวกมันสบายไม่มีอะไรมาวุ่นวายเกี่ยวข้องก็พยายาม มีความเทียนทวีคูณขึ้นทำเรื่อยๆไปจิตใจเมื่อได้รับความสงบทิดนิพจารณาคิดอ่านอะไรก็สว่างสวัยเห็นตามเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาสำลักจิตใจทิ่ผิดข้องเสารมองต่างๆให้ตกออกขาดออกโดยส่วนใหญ่จิตใจเกาะเกีเ่ยวกับเรื่องวัตถุรูปที่เราเคยชอบ เคยยินดีว่ามันมีความสวยความงามอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อจิตยังไม่ปกติจิตยังมีกิเลสเป็นแนวหน้ามันจะปรุงไปจิตไปกำหนัดรักไข้อยากกอดอยากจูกเป็นไปต่างๆนาน า, นาตามเรื่องของกิเลสตัณหาถ้าหากมันชอบถ้ามันไม่ชอบก็เบียดโกรธ ไม่ยินดีมันมีอยู่อย่างนั้นเรื่องจิตใจของพวกเราท่านเมื่อจิตสงบที่นิพพิจรนาเรื่องจิตจิตคล้องด้วยกิเลสตัณหาอะไรเล่าที่เราหลงไหลรูปของเขากับรูปของเรามันเป็นไปอย่างไรผิดกันที่ไหนจึงไปยินดีติดใจให้คิตเข้ามาภายในดูวัตถุ คือรูปของตัวอะไรมันสวยอะไรมันงามอะไรมันเป็นของจรังย่างยืนอะไรมันไม่ให้ทุกมีไหมในตัวของเราถ้าหากเรายึดเราถือว่าเป็นของของเราอันนั้นแหละจะให้ทุกแก่เราไม่มีอะไรที่จะให้สุขเรายึดอะไรเข้าอันนั้นเป็นทุก แอบเขาจิตใจถ้าเราไม่ยึดรู้เห็นตามเป็นจริงสิ่งนั้นมันก็ไม่เป็นที่เป็นไคยอะไรเราไปถือว่ามันสวยมันงามเพราะการเหมี่นพิจรารณาถือว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าหาพิจรารณาว่าในตัวของเรามีครบพอบริบูรณ์ธาตุสี่ขั้นหาดินน้ำลมไฟยิ้งชายเป็นสมมติไม่ใช่ของจริง ของจริงเขากับเราเป็นอันเดียวกันหาดดินผมขนแล้วฟันเหมือนกันถ่าน้ําน้ำดี น, ำน้ำเสลน้ำเลือดน้าเหลืองมีเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะเป็นของสวยสดงดงามที่จะทําจิตใจของเราให้หลุ่มหลงหรือยินดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูล สิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังสิ่งเหล่านี้ยึดเข้าเป็นทุกขงังสิ่งเหล่านี้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตานี่คือสติคือปัญญาเมื่อจิตสงบทีนิจพิ่เจณารู้เห็นตามเป็นจริงใจได้ปล่อยปะละวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นถึงท่านจะมีชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราอยู่กว่าตามแต่ภายในของท่านไม่เหมือนเราเพราะ ท่านได้ชำระสาสางจิตใจของท่านเบาสาบายไม่ยึดไม่ถือไม่ติดไม่ข้องแต่ก่อนเคยเป็นอย่างไรตัวรู้จักเมื่อจิตใจของท่านสงบที่นี่พิจารณาด้วยสติดวยปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงปล่อยวางเป็นอย่างไรท่านก็เห็นอีกมันจะไม่สุขไม่สาบายอย่างไรมันจะไม่ประเสริฐนิเศษอย่างไรการปฏิบัติธรรมะคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติ รู้อาจเห็นทำจริงจังท่านจึงเชื่อมั่นในจิตในใจของท่านไม่มีการบั่นไหวเอียงๆถึงจะมีอะไรมาบรบกวนจะให้จิตใจของท่านเศร้าหมองหรือติดข้องเป็นไปไม่ได้เพราะท่านพิจรารณาด้วยสติปัญญาทั่วถึงมาแล้วไม่ว่าด้านวัตถุไม่ว่าด้านธรรมะท่านพิจารณามาเพียงพอบริบูรณ์ นี่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นตาเห็นก็เกิดยินดียินร้ายให้สุขให้ทุกข์แก่ตัวหูได้ยินก็เหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะจิตใจไม่เป็นของของตัวพอแต่จะไปติดไปข้องในอันสัญญาอารมณ์ต่างๆก็เลยทำตัวของตัวให้วันไวเดือดร้อนเรื่อยไปนี่คือจิตใจที่มีโรคภัยด้ใจกิเลสตัญหา หากจิตใจหมดเรื่องของกิเลสตัณหาสำระกด้วยสติปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเบามันสบายมันสุขมันเปรตเสิร์ฟพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกให้อบรมด้านภาวนามีด้านเดียวเท่านี้ที่จะยังกิเลสตัณหาให้กลัวเรื่องของใจหากไม่มีอัตธรรมแล้วมันไม่มีเมืองพอ ได้เท่าไรมันไม่พอมันจะพอมาจากที่ไหนมันเท่าตัแใจเรื่องของกายแกตังใจเรื่องของกายแจใจมันไม่แกมันยังคิดยังรูงยังติดยังข้องยังหลุ่มยังหลงเลื่อยไปถ้าไม่สํารักษสาสางถนจึงให้ชนิดี่เจริญนะสัารัสาสางหากอยากจะมีความสุขความสบายภายในใจที่ ไม่ําระสาสางใจที่มีกิเลสตัณหานำหน้าจะไปคิดเลยว่ามันจะมีความสุขนอกจากความหลงหลงชดเช้าได้ใหม่ก็ดีใจนานเข้าก็เสียใจเลียดชังไปไม่ยินดีนี่เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นหากเรื่องของธรรมไม่เป็นอย่างนั้นมันคงเส้นคงวา มีความสุขตามสบายอยู่ตลอดเวลาถ่าจึงให้ฝึกฝนอบรมจิตใจของต น, จ, ต น, ง น, นจิตเป็นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นจิตเป็นทุกข์เพราะจิตไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมไม่มีธรรมะไม่ได้ภาวนาไปจำตัวทุกข์เรื่อยไปคนที่เป็นทุกข์ภายในใจหน้าตาก่เศร์หมองสีสันวันนะก็ไม่น่าดู มันเป็นอย่างนั้นจ <c oughs> ึงควรฝึกอบรมยิาหากมัน ด, มนดีมันมีคุณธรรมมันมีความสุขหน้าตาก็ายิ้มแย้มแจ่มใสใครเห็นเข้าก็าไม่มีความรังเกียจเพราะหน้าตารัดแขกได้ คนเป็นทุกข์เราไปเห็นเขาเราก็ทุกข์ตามเขาเพราะเหตุใดเพราะหน้าตาของเขาเศร้าหมองแสดงอากาศจิตวิยาถาดทีเป็นทุกข์คนที่มีความสุขภายในจิตในใจคนทุกข์ไปหาก็มีความสุขความสบายภายในใจเพราะหน้าตาของเ่านแจ่มใสไม่มีทุกข์ ทุกข้องใจหรือสุขข้องใจจึงเป็นเสื่องแสดงออกมาใครนอกให้พวกเรารู้จักว่าคนนั้นสุขหรือทุกอย่างไรพอเข้าใจกันเราอยากจะสุขโดยส่วนใหญ่คนทั่วไปหรือสัตว์ชอบสุขเกลียดทุกข์แต่ไม่มีปัญญาที่จะที่นดีพิจะะารณาสั ส, สา์ล่างทุกข์ออกจากใจมีแต่คิด ตรงลูกมัดตัวเรื่อยไปว่าอย่างนั้นมันจะให้สุขว่าอย่างนี้มันจะให้สุขไปจับที่ไหนไปแตะต้องที่ไหนก็มีแต่ไฟท้งนั้นเพราะเรื่องของจิเละตัณหาเรื่องของความหลงข้องใจใน ม, มีอะไรที่จะเยือกเย็ยนถ้าหากมาที่นี้พิจารณาธรรมะภายในด้วยใจเป็นธรรมมันมีความสุข ท่ามสบายปอดฟงจึงควรฝึกควรอบรมตัวข้องตัวเหล่งชั่วเหล่งเสียที่ผ่านไปแล้วทิ้งไปอนาคตยังไหม่มาอย่าไปคว้าหามันปัจจุบนันมันมีอะไรที่จะทาใจให้ยุ่งเหยิงปล่อยวางละทิ้งนี่เป็นอุบายของแต่ละคนจะสอบสือจิตใจข้องตอมถ้าหากเรา ยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตใจเดือดร้อนเศร้าหมองอย่างนี้ตายไปในขณะที่เป็นอย่างนี้เราจะไม่เสียจีหรือพราะจิตใจที่เศร้าหมองบ่งบอกว่าจะต้องไปสู่ทุกขติเราชอบใจยินดีหรือไม่ทุกขติเราลบเปรตอสุรกายสัตย์จิตฉันเราไม่ชอบเรียบชำระอย่าไปเจ็บไปหัวเอาไว้ทิ้งมันไปจิตใจแบบนั้น อารมณ์แบบนั้นฝึกอบรมจิตใจท่องตนให้คลองใสให้จิตใจท่องตนร่าเริงไม่อัดในธรรมถึงยังไม่พ้นไปจากกิเลสเมื่อจิตใจท่องตนมีอัดทำมีความคลองใสตายไปก็จะต้องสู่สุขติโลกสวรรค์ท่านบอกไว้ยอย่างนั้นนักปราชญ์จิตส่วนท่าน <c oughs> เคยอบรมศึกษามา เคยพิจรารณามาความจริงเป็นอย่างนั้นไม่ผิดเรื่องของจิตเป็นของสำคัญเราเองเป็นเจ้าของของจิตควรจะรักษาควรจะพินิตพิจรารณาถ้าหากเห็นว่าจิตของตัวเป็นของมีคุณค่าไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยให้จิตให้ฟุงตามเรื่องต่างๆหากเราสมวนรักษา เราจะได้สาระจากจิตของตัวคือมีความสุขมีความสบายไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่านักบวชเขาลวว่าหากฝึกหากอบรมหากมีสติวินิจัยพิจารณาใจพ้องตัวอยู่เรื่อยไปคนนั้นแหละจะได้สาระประโยชน์จากใจใจชั่วใจเสียไม่มีสุขอยู่สถานที่ใดอยู่เถอะ ไม่มีสุขใจสุขใจสบายใจดีใจเย็นไปอยู่สถานที่ใดไปเถอะมีความสุขตลอดเวลาคนที่ใจชั่วใจเสียงานที่เคยทำมาดิๆดีดดดกดเสียไปเคยพูดอ่อนหวานบอกหยาบคายนี่คือคนใจเสียหน้าตากดเสียไปการงานกดเสียไปอะไรเสียทุกอย่างนี่คือใจเสีย หาใจดีแหละอะไรก็ดีทุกอย่างจึงควรรักษาใจใจจึงมีคุณค่ากว่าเรื่องของกายกายไม่มีคุณค่าตายไปขายได้ไหมเนื้อหนังเอ็นกระดูกใครเขาซื้อกันมีไหมหมูตายไก่ตายยังมีราคาขายได้คนตายยัยมีราคาจะไปหึงไปหวงไปติดตไปคล้องไปหลุมไปหลง ท, ทําไมพิจารณาให้ถึงใจ สอนตัวเองคนที่มีปัญญาที่เจรณาอะไรก็เข้าใจชัดเจนเห็ น, นประจับคนที่ทุกปัญญาหาปัญญาไม่ได้ไปสถานที่ใดก็จะทุกข์ยากลาบากใจเลื่อยไปปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้สดับรับฟังท่านจิงหวัดสุตะมายาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการสดับรับฟัง การเรียนการอ่านกินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการไข้จิตนิจจารณาตามธรรมชาติภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจะจิตใจสงบภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงสามารถที่จะขับไล่ ที่เหลืตันหามาณทิฏฐิออกจากใจส่วนสุตตามัยปัญญาเป็นทางที่จะดำเนินชีวิตของตัวให้ดีขึ้นยินตามัยปัญญาไข ค, คิดติดตามเรื่องต่างๆเพื่อเหตุผลเพื่อสอนตนของตนไม่ทำชั่วเลือกทำแต่สิ่งที่ดีมีคุณค่าจนเป็นภาวนามมยปัญญา สามารถละวิเลตันหาภายในใจให้ตกหลุดออกไปหีปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการแตะทำไม่ใช่เกิดขึ้นอยู่เฉยๆก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้ของมีคุณค่าต้องทำถึงเกิดขึ้นได้อย่างคูดีสลาสาลาหรือบ้านช่องของเราเราต้อง ปลูกสร้างขึ้นมันถึงเกิดขึ้นได้แต่ต้นไม้ใบหญยย้าที่ไม่มีคุณค่าไม่ต้องฟูมันเกิดขึ้นเองแต่ไปขายไม่ค่อยได้ผลอะไรหาเราให้มันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นตังใจสิ่งที่ชั่วที่เะียแต่มันเกิดขึ้นในทางที่ดีที่ชอบแต่นั้นเราจรึงควร ที่นิพิจารณาหาความดีของใจปลูกศรัทธาเชื่อเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามคำคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจของเราก็จะมีความสว่างสวมีความเบากายเบาใจมีความสุขภายในนี่คือเกิดจากการกระทำของเร า, าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิด ท่านดีมีความสุขความสบายภายในใจเพราะอาศัยสติปัญญาสัทธาความเชียนของท่านในใจมันเกิดลอยๆอยมาอย่างมันมีเหตุมีผลเราทุกคนเมื่อได้สะดับรับฟังก็งจงนำไปที่นิธิแกนาศึกษาปฏิบัติกายบายใจยใจของตัวเพราะชั่วดีมันมีอยู่ในตัวทางนั้น สิงได้ที่ชั่วที่เสียรีบจัดออกไปอย่าให้มาเกี่ยวข้องกับกายกับใจของตัวใจเมื่อไม่มีความชั่วมีแต่ความดีก็จะมีวันเบาวันสบายเพราะชั่วดีมันคุกคีกันอยู่ถ้าไม่มีปัญญาก็เหลือกค่จับหาไม่ได้เหมือนปลาหรือไก่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เนื้ออย่างเดียวก้างก็มีกระดูกก็มีคนไม่มีปัญญา เห็นว่าเป็นไก่เป็นปลาก่จะกลืนไปทั้งตัวเยกก้นติดคอหรือกระดูกขวางคอตายก็เป็นไดน้อาหารของกายยังเป็นอย่างนั้นอาหารของใจพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันไม่ใช่ว่ามันชอบอยากจะคิดอะไรคิดไปมันคิดีผิดหักห้ามเอาไว้ไม่เป็นสาระประโยชน์ และจะเป็นโทษแก่ตัวข้องตัวรีบกำจัดมันไม่อย่างนั้นใจก็จะไม่มีวันสุขวันสบายการศึกษาธรรมะการปฏิบัติจิตใจข้องตัวจึงเป็นหน้าทีีของพวกเราท่านทุกคนจะควรสนใจฝึกอบรมดีชั่วต่างๆควรละควรบำเพ็ญอย่างไรให้เป็นส้มบัติ ในตัวของตัวเราละชั่วได้มากเท่าไรใจกว่านับวันจะเบาสบายไปเท่านั้นเหมือนกันกับโรคภัยในกายหากเหยียดหายไปเท่าไรก็จะมีความเบาความสบายหาโรคภัยหนักเข้าเท่าไรทั้งๆที่มีลมหายใจอยู่ก็เดินไม่ได้ลุกไม่ขึ้นนี่คือโรคภัย ของกายโรคภัยของใจก็เหมือนกันถึงจะมีใจอยู่แต่เธอว่าวิาเลตันหามานตะิฐิมาเขาเท่าไรเป็นโรคภัยของใจใจก็เดือดร้อนใจก็ต้องเต่าหมองขุนมัวฉะนั้นจึงเป็นหน้ากี้ของเราทุกคนจะควรกําจัดปัดเป่าเรื่องความชั่วทางกายทางวาจาทางใจให้ตกออกไปให้ใจ มีความสว่างสวัยเบาสบายพระพุทธเ จ, จ้าสอนมนุษย์เพื่อจะให้รู้จักดีชั่วผิดถูกสอนมีเหตุมีผลคนที่มีสติปัญญาที่นิจพิจารณาแล้วเข้าใจไม่เป็นหมันธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอน หากเราทุกคนเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจเป็นจริงพึงรีบประพฤติปฏิบัติเพราชีวิตของพวกเราไม่มีเครื่องหมายในประกันอะไรในวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องตายแน่ๆตายไปแล้วคุณค่าสรารประโยชน์ในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาได้อะไรไม่มีอะไรก็ไม่ได้ทําจิตทําใจให้เข้าถึงธรรมถ้าหากมีธรรมะ ตายไปเมื่อไรก็ไม่ไรคุณค่าในเป็นโมฆะของบุคคลยังมีหวังในภพชาติข้างหน้าหากี้เลดตัญหายัางไม่หมดหากชเลดตัญหาหมดก็เป็นจบเรื่องของภพของชาติต่อไปการปฏิบัติกายปฏิบัติใจตามธรรมะของพระุทธเจ้ามีคุณค่าสาระอย่างนี้ฉังนั้นขอทุกท่านเมื่อได้สดับรับฟังแล้วจงนำไปนิยติเจนาศึกษา เห็นว่าเป็นทางที่ดีมีประโยชน์ก็พึงรีบประพฤติปฏิบัติเห็นว่าเป็นทางที่ชั่วจีเจียก็ปัดถท่งโยนถท่งเกี้ยาการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องควร เ, เวลาพออิจิตรแข่งแข็งนี้เรียวัง